ในช่วงคุยกันกรรมพุทธะในวันนี้อาจารย์มาพระไพบูลย์ก็จะก็พูดเรื่องที่หลายๆท่าน หนี้ธนาคารหรือว่าหนี้นอกระบบทั้งหลายแหละเนี่ยเวลาส่งใบทวงหนี้มาท่านฟังส่งใบทวงหนี้มา อ่ะต้องใช้เงินใช่มั้ยต้องเอาเงินคืนให้เค้าเนี่ยไม่จะดีกว่าที่ต้อง ก็เรียกว่าถูกถ่วงนะดอกเบี้ยนี่นะนี่ก็ 2 ละแม้แต่ <c oughs> <to> 2 ละนะพอมี ยืมบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ยก็เสียแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวเงินต้นไม่ได้จ่ายเลยยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่ กระบวนการแรงต่างๆของคนนี่เนี่ยอย่าเข้าไปเป็นความทุกข์ของคนที่เอ่อ มาบริโภคมีการใช้จ่ายเงินเป็นผู้ที่บริโภคกามากไงเถอะนะเออในขณะเดียวกัน น่ะเขาบอกอะไรก็ทําคนจนใจเป็นยังไงเค้าบอกอะไรก็ทํานะเค้าบังคับให้ นะคําว่าไอ้ทรัพย์ในใจตรงเนี้ยคืออะไรนะบิชชาพูดถึงอริยทรัพย์นั่นคือความมีศรัทธานะ 1 นะ, นะ, นะ, นะ, ของเรียกว่าๆเหมือนกัน นั่นคือความละอายและความกลัวตบะเนี่ยวิริยะคือความเพียรปัญญาก็คือปัญญานะ 5 อย่างนี้ถ้าใครไม่มีคนไหนไม่มีนะ นะเป็นคนไม่จนใจมีอริยทรัพย์อยู่ในใจปัญญาศรัทธานี้ที่นี่คืออะไรและศรัทธา ทีนี้ใครที่ไม่มีปัญญาเนี่ยก็ภายไปนะก็คือทําไปทําไปเนี่ย ก็เพราะว่าไอ้ความดีที่มันยังให้ผลอยู่มันยังส่งผลอยู่ไงเนี่ยไอ้ความฝั่งโกหกไปก็อยากจะปกปิด อ่ะจำเรื่องราวที่ตัวเองพูดโกหกไม่ให้ใครเนี่ยมารู้จักนะไม่ให้ใครมารู้ว่าเราพูดโกหกตรงนี้ มันเป็นปัญหาตามมาละนะพอใช้ดอกเบี้ยคือด้วยการปกปิด แล้วเจ้านี่เริ่มมาทวงละถูกทวงนี่นะเพราะว่าการที่ตัวเองทําให้ดีแล้วก็คุณอื่นเห็นเค้าก็ตักเตือนนะพอถูกทวงนี่อยู่แล้วอย่างงี้นะขั้นตอน น่ะก็จะตามกลัวว่าใครจะมาว่ารุมจิตของเขาพอไม่สบายใจอย่างนี้พระธรรมชั่วนี่ ไหนยังเป็นคนที่ไม่แก้ไขอีกนะดอกเปี้ยก็ไม่ กระผาผิงเลยนะกระผาแล้วก็เอาซากกระดูกออกมาจบละนะแต่พอตายเสร็จเค้าเป็นต้นหรือในนรกเป็นต้นมันถูกขังข้ามพวกคําชาติอย่าง เขาก็จะมีความพอใจกับความที่เขาได้ๆนะพอใจสุนัขตัวเมีย เนี่ยนะอันตรายมากนะเพื่อนฟังนะเป็นเรียกว่าถูกจองจําข้ามภพข้ามชาติจนกว่าจะเบื่อนะดัง ในใจของเราเนี่ยจะทําให้เรามีทรัพย์ได้อย่างไม่ได้เชื่อมั่นในบุคคลเลยนะเชื่อมั่นในปัญญาของพระพุทธเจ้านะ มีเหตุมากมายในที่ทําให้มาถึงความเป็นสมาสัมมุติชาวได้ว่ามีความอดทนเพียงไรมีความเสียสละเนี่ยอันพื้นๆที่เราทราบกันก็ยังมากขนาดนั้นแล้วแล้วถึง รวยน้ําใจชั้นไม่เป็นคนจนใจชั้นไม่ทําหรอกเขาจะดึงเราไป เห็นอะไรมันไม่เที่ยงบ้างพวกนี้จะทําให้เราเอ่อมีความวิริยะปัญญาถ้าอย่างนี้น่ะเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ในใจของเราทําให้เราไม่เป็นคนใช้หนี้เงิน อริยะปัญญาก็จะมีความสบายใจเหมือนกัน